วัตถุมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะแล้วเรื่องการปฏิบัติภาวนาก็คือการดูแลเรื่องของชีวิตจิตใจของเราให้ครบร่างกายของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจนะร่างกายนี้มันเกิดเพราะจิตถ้าไม่มีจิตเราก็ไม่ได้เกิดนะ แต่เวลาเรามาแสวงหาความสุขกสบายล้วกับแสวงหาความสันวาให้กับด้านร่างกายมากกว่าจิตใจมันก็ทำให้เราไม่ค่อยอสบายเท่าที่ควรนะพนั้นในการภาวนาเราก็พยายามทำจิตของเราเนี่ยให้สง บ, บให้นิ่งให้ว่าง เพือไม่ให้มีวัตถุอารมณ์เข้าไปรบกวนนะเพราะวัตถุเป็นเรื่องหนักเรื่องเปลี่ยนแปลงเรื่องแปรปวนแ ต, แปปนแตก ด, ดับตลอดเวลาแต่ในด้านจิตใจของเราเนี่ยมัน อ, อยู่เหนือการเกิดการดับอยู่เหนือการแปรปวนแต่ถ้าเรามีการฝึกฝนเราก็ไม่เห็นน่ยเราก็ต้องมีการฝึกฝนพอสมควรแต่เรื่องวัตถุที่เราสามารถ สัมผัสได้ก็โดยการผ่านเวทนานะถ้าเราไม่มีเวทนาเราก็ไม่รู้วัตถุมีอยู่เวทนาคือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงเนี่ยผ่านอยู่ท้งนั้นแต่เราไปให้ความสำคัญกับรสชาติของเวทนาแต่ความรู้สึกที่เป็นเวทนาเฉยๆเนี่ย ซึ่งเราก็จะมองไม่เห็นแต่เราจะมองเห็นแต่รสชาติของเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอร่อยไม่อร่อยเราจะไปให้ความสําคัญตรงที่รสชาติของเวทนาแต่ตัวเวทนาล้วนๆเนี่ยเรามักจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันมีความจําเป็นและสําคัญเหมือนน้ำเหมือนน้ําใสนี่นะเวทนาล้วนๆเหมือนน้าใส นะแต่เวทนาที่มันมีรสชาติเหมือนน้ําส้มน้ําหวานน้นําแกงน้าเฟซี่โค้ลาน้ําที่มีการปรุงแต่งที่มีรสชาติทั้งหลาย น, น, นั่นคือเวทนาที่เรามักจะชอบนะแต่ว่าเรามีชีวิตอยู่จริงๆกับมาอยู่กับเวทนากลางๆนะเราใช้เยอะอย่างน้ํา เปล่าเนี่ยเราดื่มเยอะมากกว่าน้ำเป๊ปซี่โคราหรือน้ำหวานเวทน า, ก, ากลางๆเวทนาสบ า, สบาเนี่ยเราอยู่กับมันมากกว่าเวทนาที่เป็นรสชาติแต่เราไม่ค่อยเห็นความสำคัญมันเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญดัง น, นั้นในเงี้ยของภาวนาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเวทนาเฉยๆเยวทน า, ก, ากลางๆเวทนาที่ไม่มีรสชาติ แต่ว่าเราก็มักจะไปให้ความสําคัญกับเวทนาที่เป็นรสชาติเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาสุุสนาเวทนาอาริดอร่อยอเราไปให้ความสําคัญตรงนั้นราคาแพงเราก็เสีย่ยนงะเราให้รสชาติกับเวทนาเวทนาก็เลยมีราคาแต่เวทนาเปล่าๆนี่ไม่ค่อยมีราคาเราก็ไม่ค่อยชอบนะ เรื่องการภาวนาจะทำให้เรากับมาสู่เวทนาที่เป็นกลางมากที่สุดเพื่อให้ใจของเราเนี่ยไม่ไม่เดือดร้อนไม่แปรปรวนไม่คิดไม่ทุกข์มากเกินไปพอจิตมันเป็นกลางมันก็จะไม่วิ่งไปในเรื่องของอรสชาติอะไรเงีเ้ยอันนั้นเวลาเราภาวนาเราก็ต้อง กลับมาดูความรู้สึกเฉยๆโดยที่ไม่ต้องไปรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์กับเวทนาเวทนาสุขเราก็ไม่สุขด้วยเวทนาทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ด้วยเนะวทนาร้อนเราก็ไม่ร้อนด้วยเวทนาเจ็บเราก็ไม่เจ็บด้วยก็ดูมาเฉยๆลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการภาวนาเปลี่ยนเวทนาให้เป็นภาวนานะแต่ถ้าหากว่าเรา ไม่ให้ความสำคัญไม่ดูกับเวทนาเฉยเฉยมันก็เวทนาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นทุกข์เป็นสุขแต่พอเราไม่ให้ความสำคัญกับเวทนาดูเวทนาเฉยเฉยเวทนาก็เปลี่ยนมาเป็นภาวนาใกล้ใกล้กันในใั่นเองการภาวนาไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่ามาตามดูเวทนาบ่อย คือจะไปแช่กับเวทนาสุขเวทนาทุกแต่ให้ศึกษาสุขทุกเวลาเราทำงานเราก็จะเห็นสุขเห็นทุกเห็นความสบายไม่สบายเห็นการเจ็บการคันการร้อนการหนาวตลอดนะเราก็ศึกษามันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราก็ไม่เข้าไปให้ความสำคัญเราก็ไม่ได้กลัวสุขไม่ได้ ไม่ได้รักสุขไม่ได้เกลียดทุกข์แหละอยู่กับสุขก็ได้อยู่กับทุกข์ก็ได้มันก็ทําให้เราได้ทำอะไรได้ไดไหลายอย่างเพราะเราไม่กลัวเวทนาเพราะรู้ว่าเวลาเราทํางานแล้วเนี่ยเราจะมีทุกขเวทนาเราก็ไม่อยากทํางานเราอยากอยู่เฉยเฉยอยากนอนเฉยเฉยสบายสบายนี่เราไปติดสุขเวทนาเรากลัวทุกขเวทนาถ้เาเราจะไปทํานอ่นทำนี่แล้วก็กลัวกลัวมันจะร้อนกลัวมันจะเหนื่อย ว่ามันจะเป็นนั่นเป็นนี่เราก็ไม่อยากทำ น, ะนี่เขาเรียกว่าเรากลัวสุกกลัวทุกขเวทนาไปติดสุกขเวทนาก็ทำให้เราไม่เข้มแข็งนะ <c oughs> นั้นเราก็ต้องเรียกว่ามีการศึกษานะศึกษาเวทนาโนะดยการไม่ าาไม่ยึดติดทําน่นดูเป็นยังไงเวทนาเทาท่าทำอย่างนี้เวทนาจะเป็นอย่างไรถ้าเดินขึ้นเวทนาเป็นอย่างไรเดินลงเวทนาเป็นอย่างไรยกของหนักเวทนาเป็นอย่างไรยกของเบาเวทนาเป็นอย่างไรมันก็ศึกษาไปได้เรื่อยเยจนกระทั่งว่าเราทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่กลัวว่าหนักไม่กลัวว่าเบาไม่กลัวว่าสุขไม่กลัวว่าทุก ทำให้เราได้งานทำให้เราได้ทั้งภาวนาดังนั้นงึงจึงอยากจะให้ผู้ปฏิบัติของเราเนี่ยได้ศึกษาร่วมกันไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นที่ต้องเดือดร้อนเนี่ยเเพราะว่าเราไปติดสุขกวทนาเราก็เสียเวลาเยอะเพราะสุขกวทนาสมมติเรากิจาหานสักมื่อหนึ่งเนี่ย ใ ห, ให้อิ่มเลยนะถ้าเรานั่งกินข้าวกับกล้วยรักษาลูกสี่ลูกก็อิ่มเหมือนกันนะกับเอากล้วยไปทำกล้วยบทชียิ่งทุ่งเสียเวลาบทชีอีกเป็นหลายชั่วโมงกลัวจะได้กินอิ่มถามว่ามันต่างกันไหมความอิ่มนี่ต่างกันไ้ยอิ่มเพราะกินข้าวกับกล้ยลวยหลายลูกกับอิ่มเพราะกินข้าวกับกล้วยบทชีเนะี่ยอิ่มต่างกันไหยไม่ได้ต่างกันใช่ไหม แต่ความ อ, อรอ่อยอต่างกันมีเลาไปติดตนั้นไราเสียเวลาเยอะนะเสียเวลาไปซีน้ำตาลเสียเวลาไปขูนมะพร้าวเสียเวลาไปติดไฟเสียเวลาไปหั่นกล้วยเสียเวลาหลายอย่างอืมเพรช่นนี้กัเลยว่ามันทําให้เราเป็นทุกข์เพราะอันนั้นแหละคนทุกวันเป็นทุกข์เพราะไปติดเวทนาเท่เวทนาที่เป็น ความพอใจเนี่ยเราต้องได้เสียเงินซื้อมันนะแต่เวทนาเฉยๆเราไม่ต้องได้ซื้อเสียเวลาซื้อเสมอว่าเราจะกินอาหารอร่อยก็ต้องไปปรุงเรากปซื้อของที่อร่อยแต่ความจริงเรากินไม่อร่อยก็อิ่มเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มไม่ถูกเวทนาของเราเราก็ต้องปรุงอาหารที่อร่อยนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาปฏิบัต นนผู้ปฏิบัตินี่หมายคว่าเป็นผู้ที่ศึกษาเวทนาโดยที่ไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ให้ความสำคัญเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ให้ความสาคัญว่าเรื่องสบายหรือไม่สบายยังไงก็ได้อืดังนั้ น, อนเองมาเแค่อยู่กับวัดเนี่ยมาวันหนึ่งเราอออกเป็นสิบสิบครั้งเนี่ยเราแค่ดูเวทนาถ้าเหงอาหายไปไยังไงเหงาออกไปงไงร้อนไปยังไงอืม ขึ้นเขาไปยังไงลงเขายไปไงเดินเข้าป่าไปแวะไปซึ่งมันทาให้เราได้ได้ดูเวทนาได้หลายรูปแบบแล้วทําให้เห็นร่างกายของเราที่ตอบสนองนะตอบสนองต่อเวทนาต่างๆมีหลายคนที่มาพูดถึงเรื่องนี้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาอย่างไรถึงจะก้าวหน้า ก็คือมาศึกษาเรื่องของความรู้สึกประจําวันเนี่ยมากๆความรู้สึกแต่ว่าอิ่าไปติย่าไติความรู้สึกสบายหรือสงบและอย่าไปกลัวความรู้สึกไม่สบายและไม่สงบอย่าไปกลัวความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์นะศึกษามันไปเรื่อยแล้วก็จะเห็นว่าความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาเนี่ยเป็นผลร้ายกว่าทุกเวทนา เพราะมันทำให้เราติดแต่ถ้วยธนาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยปนผลร้ายเพราะว่าเราไม่ติดมันไม่แช่เหมันราคามันก็ถูกนะราคาถูกแต่สุคเวทนานี่ราคาแพงนะสมมติเราจะกินน้ำเพื่อหายหิวสักแก้วหนึ่งกับไปกินไอติมสักแท่งเนี่ยต่างกันไหมกินไอติมสักแท่งเนี่ยสามสิบสี่สิบบาท ก็กินน้ำหายหิวนี่ไม่ต้องเสียสตังค์นี่คือตัวเวทนาที่มันต่างกันกินอาหารสักมื้อหนึ่งอร่อยๆก็กินอาหารสักมื้อหนึ่งเพราะให้มันอิ่มราคาต่างกันมากดังนั้นในดูให้ดีอะเวทในชีวจัวันของเรามันมีหลายหลายอย่างที่เราต้องศึกษา แต่ถ้าหากวเราไม่ไม่ใช่นักภาวนานะเราก็อยู่กันไปวันๆสุขบ้างทุกบ้างใจสบายบ้างไม่สบายบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างรักบ้างชังบ้างสลับกันไปเรื่อยๆนะดันั้นเองในการเฝ้าดูเวทนานี่เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีการภาวนาตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขุดดินฟันไม้กวาดบ้านทูเรือนทาครัว ทำไรทำสวนเนี่ยเราได้ภาวนาไปด้วยเพราะเราศึกษาเวทนานะแล้วบ้านเรือนเราจะสตร์เพราะว่าเราได้ใช้เวทนาให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็เราจะมีเงินมีทองใช้ได้ดีกว่าปฏิสุขถ้าปฏิสุขเวทนาแล้วเสียเงินเสียทองเพราะเราต้องจ่ายเงินจ่าทองซื้อมันมา แต่ถ้าหากว่าเราไม่ติดสุขเวทนาเรากลับได้เงินได้ทองเพราะเราไม่กลัวทุกเวทนาล้วก็ขยันทามาหากินมันมีผลนะมีผลต่อชีวิตของเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ไปเสพสุขเวทนาจนกระทั่งหมดเงินหมดทองไปนี่เป็นสินแล้วก็ต้องวิ่งหาเงินพอวิ่งหาเงินไม่ทันก็เครียดพอเครียดก็กิกนเหล้ากินยา มันก็มีผลไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะที่ที่สําคัญคือเราไติสุขโทนาแล้วก็ไปซื้อราคาซื้อสุขโทนาราคาแพงเพราะเราไม่ยอมอดยอมทนแล้วก็ไม่ยอมอยู่ยอมกินที่แบบสบายโดยที่ไม่ต้องมีรสชาติมากมายเนี่ยนัเรื่องนี้มีที่พลต่อวิถีชีวิตคนว่าคนเราจะยากจะจนจะลวย ก็อยู่ที่ว่าเร า, าศึกษาเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะเน่คนทั่วไปก็จะไม่รู้จักเรื่องนี้หรอกมีแต่่งตามเวทนาม า, มาหลายชาติแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปอีกหลายชาติ <c oughs> จนกว่าจะเกิดปัญญาเนื่องพวกเราที่มาวัดวานี่เราก็อยากจะให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ความสำคัญคืออย่ารักใครง่ายๆอย่าชังใครง่ายๆ อย่าโกรธใครง่ายๆอย่าเกลียดใครง่ายๆให้ดูให้ดูความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้เ อ, เอในที่สุดจิตของเราก็จะค่อยเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะจิตเราเริ่มเป็นกลางเราก็จะเราเห็นคนที่ติดสุขติดทุกเวทนานี่สมง่ารสงสารนะเพราะเขาจะต้องขึ้นสวรรค์ตกนรกวนะหลายหลา ย, หลายครั้งอ่ะนะเรื่การภาวนาจะทำใหเราเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ง่าย เห็นสุขเห็นทุกข์ได้ง่ายแล้วเราก็จะโกรธเครไม่เป็นเกลียดขคาไม่เป็นเพราะแต่ละคนที่เขาไม่รู้จักเรื่องนี้มันน่าสงสารแต่เราก็ไมบอกเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ฝึกฝนเขาไม่รู้จักเขาก็จะเวียนว่ายไปเกิดในความสุขความทุกข์ความดีความชัว่วความสบายไม่สบายอยู่อย่างเงี้ยไ ม, ไม่ไม่มีวันจบนะดังนั้นถ้าคนไหนที่ ศึกษาเวทนาดีๆแล้วเนี่ยจิตใจจะเข้มแข็งจิตใจจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไง่ายนี่เรียกว่าเป็นการภาวนาตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยวัตถุอะไรมาเป็นเครื่องมือละใน ต, ตัวทุกเวทนาในกายของเราเนี่มันเป็นเครื่องมือภาวนาอย่างดีมีให้เห็นตลอดเวลา ตัวทุกเวทนาตัวนี้การที่เราเอาทุกเวทนาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าเราปฏิบัติในอริยสัจว่าทุกต้องกำหนดรู้เราได้รู้แล้วสมุทัยต้องละนี่อันไหนที่มันจะทําให้ใจเราหุ่นมัวเศ้าหมองไม่สบายเราก็ละสิ่งนั้นเวทนานั้นเสียนิโรธทาให้แจ้งมาก็าว่าการบรรเทาเบาบางเวทนา ทางกายลงเพื่อไม่ให้เกิดเวทนาทางจิตเราคนรจะละเวทนาตัวนั้นเสียแล้วก็เข้าไปาศึกษาปรับเวทนาหาเรื่อยๆไม่ให้มันไปติดสุขไม่ให้มันไปเกียดทุกข์ไม่ให้มันไปยินดีในสุขไม่ให้มันยินได้ในทุกข์พยายามปรับให้เวทนาเป็นกลางการปรับเวทนาเป็นกลางอยู่เสมอนี่เรียกว่ามัจ ก็เราปฏิบัติอยู่ในอริยสัจทุกสมุทัยนี้เลยมักตลอดเวล า, ถ, า, าถ้าเราทำถ้าเราทําถูกนะเหมือนเราปฏิบัติในอริยสัจสี่เป็นองค์ภาวนาอ่าเพราะนั้นในชีวิตประจำวันเราอย่าเผลออย่าพลาดในการภาวนานะก็ทําธุระหน้าที่อะไรต่างก็ทําไปตามหน้าที่นั่นแหละแต่มันมีเวทนาให้เห็นตลอดเวลา สุขบ้างทุกข์บ้างร้อนบ้างหนาวบ้างเจ็บป่วยบ้างสบายบ้างอึดอัดบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างสลับกันไปตลอดเวลาแต่เราก็เฝ้าดูเฝ้าศึกษาไม่เกิดความหงุดหงิดลำคาญไม่อึดอัดหัดเคืองไม่วิตกกังวลนะไม่เบื่อไม่นายพยายามเฝ้าดูไปเรื่อยๆแต่เวทนาบางอย่างมันแรงนะ มันบีบจิตบีบใจบีบคั้นเราจนเราสู้ไม่ไหวโดยเฉพาะเวลาเราง่วงเนอะมันก็จะบีบคันเราเนะอะยัยมอยไปไงสบายดีขึ้นยัง ม, <laughs> มาภาวนาทุกวันทำท่าเนี่ะทาถ้าจะอายุยืนกับพ่อใหญ่วนนะเนี่พนระ <laughs> าะต้องทน ท, น, ท, น, ทนให้เยอะหน่อยเนาะเยอะเยอะๆเวลาอนเขานอนกร้างเยอะว่ะบ่อย จะทำให้เราได้ไปสวรรค์ดได้ง่ายเพราะสร้างจังห ว, วะเบาๆนี่ทำให้ใจเราเป็นกลางได้งเพราะนั้นโชคดีนะที่เราได้มาวัดมาวานี่นะเราได้มาภาวนาก่อนนอนก็ยยงมันสร้างจังห ว, วะไว้เลยๆจนมันหลับตื่นขึ้นมาก็ดูพลิกมือเล่นไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งปุ๊บปั๊บลุกขึ้นนะีกมือเล่นสูดลมหายใจลึกๆอนะไรอย่างเงี ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในโลกต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรเยอะที่ทำให้เป็นลักษณะมันบีบคั้นเร่าร้อนแล้วก็เป็นพลังที่มันทำให้เกิดทุกขเวทนาได้ง่ายอ่คล้ายอย่างนั้นท่า น, นเราถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยเราจะต้องทุกข์มากขึ้นเพราะมันมีสิ่งที่รอบข้าง ปัญหารอบข้างเยอะแยะคนเป็นทุกรอบตัวเราอะ่ะไปที่ไหนก็มีแต่เจอคนทุกอะไปเจอคนทุกก็เหมือนเราไปเจอไฟดุนหนึ่งดุนหนึ่งถ้าเราไม่มีพลังเย็นในตัวเรานี่นะเราก็จะถูกเผาไปเจอคนนู้นก็ทุกแบบหนึ่งไปเจอคนนี้ก็ทุกแบบหนึ่งไปเจอคนนู้นก็ทุกแบบหนึ่งถ้าเราไม่มีการภาวนาเนี่ยเราจะเอาไฟของคนอื่นมาเผาใจเรานะ เราก็ยังมีโอกาสสงบแล้วแต่ละคนมีปัญหาหมดปัญหาคนละอย่างละอย่างละอย่างละอย่า ง, างไปพอเราตั้งเรารู้แล้วนี่เราก็ตั้งจิตให้เป็นเย็นๆเอาไว้เป็นน้าเอาไว้ไฟใครมาก็ป้องกันได้ดับได้มันก็เผาเราไม่ได้นี่คือเรียกว่าอยู่ในโลกอย่างฉลาดแต่ถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยมันก็ยากอยู่นะต้องมันภาวนาก็คือกัน ตามรู้ดูกายดูใจเรียกว่าภาวนาไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามค้าขายง่ายมือทำไรทานาเก็บผักหกักฟืนทำไม่หมด น, น่นมาบงทีกเดินขึ้นเขาลงเขาวันหลายครั้งก็รู้สึกไม่มีปัญหาก็ได้เห็นเวทนาไปเรื่อยๆหนั ก, นกบ้างเบาบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างแทนที่จะนอนแช่นอนจมกับความสุขสบายในกุฏิเปิดพน่ อันนี้เขาเรียกว่าสบสุขแล้วในที่สุดเราจะไปเจอทุกอย่างสาหัสเพราะว่าถ้าเราสุขเรามันก็ต้องตีเมียเป็นทุกข์เป็นเกิดคองธรรมชาติได้นะถ้าเราตรงกลางทําอยู่ตรงกลา ง, า ง, ลางสุขก็ได้ทุกข์ก็ดีไม่มีปัญหาทําอะไรไปเรื่อยๆมีสุขมีทุกข์สลับไม่เห็นแต่ลอเวลาถ้าเรานิ่งอยู่เฉยๆมันอาจจะสุขนะเแต่เราทุก ข, ข์ามาันกะ็มานะ เรากินอาหารอร่อยเนี่ยเดยวมันก็ไปเจอทุกขเวท น, นาสังเกตให้ดีอะ่ะมันมันตีกลับไปกลับมานี่ตลอเวลาแต่คนเรามันไม่ได้สังเกตอย่างเนี้ยมันก็ไปหลงวิ่งหาแต่สุขแต่ทุกมากูก็หนีหนีหนีหนีอ่ะก็วิ่งหาที่สุขทุกก็ตามเลื่องานอยู่เนี้ยันนี้คือมันเป็นความอ ะ, อะไระ่ะความสมดุล น, นะแต่มนุษย์เราไม่เห็นนะ่ะ เสวยหาความสุขสบายแต่ทุกข์มันก็ไล่หลังตามติดติพอเราเจอสุขปับ๊บทุกข์มันก็ตะปบทันทีเหมือนกันไม่มีไม่มียกเว้นแต่ถ้าเราดูดีๆนะเว้นแต่เราลืมไอตอนที่เราสุขเราลืมทุกข์แต่ทุกข์มาถึงเราก็คิดถึงสุขใหม่เราก็มีควาสุขทุกข์มันก็ตามดีอพอเจอทุกข์พอเจอสุขปับ๊บทุกข์มันเข้าเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ถ้าคนไม่ภาวนาไม่หินหรอก มันก็ถึงเวียนว่ า, ายใเกิดอย่างนี้ไงวนเลยอย่างนี้แต่ถ้าเราภาวนาเราก็หยุดดูเราไม่สุขเราก็ไปเข้าไปหาเมื่อเราไปไม่เข้าไปหาสุขนะทุกมันกไ็ไม่เข้ามาหาเราเมันกันแต่เมื่อเรเราเข้าไปหาสุขทุกมันตามเข้ามาเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างที่น่าศึกษามากแต่คนนใหย่มันมีแต่ไปสุด ข, ขั้วไงวิ่งหายสุขหนีทุกวิ่งหายสุขหนีทุก เบียงไปเบียงมาเขาเรียกเวียนว่า้ตจเกิดเป็นว่า้ตจเกิดเดี๋ยวไปนรกเดี๋ยวไปสวรรค์เดี๋ยวไปนกรกนี่โซนพอเราหยุดปั๊บเนี่ยนรกก็ไม่ไปสวรรค์ไม่ไปเป็นนิพพานเลยนะหยุดคือนิพพานนี่ง่ายๆเลยนะใช่ไหมพระเจ้าอยู่วัดมานานารู้หรือยังหยุดเป็นหรือยังอหยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ <laughs> หยุดไม่เป็นเย็นไม่ได้ตามได้ที่ยังมีหาสุข วิ่งีทุกอย่างก็อย่าวนี้หยุดอย่าวิ่งสุข ก, ก็ไปเอามันทุกก็อย่าหนีมันเจอเพราะฉะนั้นต้อบ่อยๆนะดยลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะพบนิพพานได้ง่ายๆนะอยู่กับสุข ก, ก็ได้อยู่กับทุกก็ได้เราเข้มแข็งลักษณะเงี้ยเข้มแข็ ง, ขงแต่ถ้าหากว่าเราวิ่งหนีสุกวิ่งหนีทุกวิ่งหาสุขเราจะอ่อนแอเพราะอะไรมันเหนื่อย มไมมีกาลังพอหยุดปั๊บมีกำลังมันมาเลยนะไม่เหนื่อยนะทัาท่านที่เราก็ยังทำงานอยู่นี่แต่จิตของเราไม่วิ่งจิตของเรามันก็นิ่งเฉยๆแต่ร่างกายของเราก็ไปไปตามกฎธรรมชาติของมันอยู่ดังนั้นน่มาว่ากลไกของภาวนานี่เป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่เราต้องทำความเข้าใจบ่อยๆบางคนก็ภาวนาเอาเป็นเอาตายนะเพื่อจะได้อะเพื่อจะได้สุข แต่ไม่ได้นิ่งดูทุกเพราะนั้นล้วก็ให้นักภาวนานะทาอย่างเข้าใจพอทำอย่างเข้าใจเนี่ยทำมากก็ได้ทำน้อยก็ได้มันทาเป็นนะทำมากก็ทำให้เป็นทำน้อยก็ทำให้เป็นก็ทาให้มันทำให้มันรู้อนะนอะให้รู้สุกรู้ทุกเราไม่ติดสุขไม่ติดทุกทำได้เรื่อยๆเวลาทุกมา ก็หยุดดูกมาก็หยุดดูทําเล่นๆแต่คนไหนทำเอาชิงเอาจังก็จะหนักนะดังนั้นวันนี้เป็นวันธรร ม, มสมัวนะเราก็ฟังเรื่องของเวทนาซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าท่านนิวบอกว่าอ ย, อยากจะฟังซ้ำอีกสักครั้งฟังตอนเช้านี้ไม่ค่อยแจ่มแจงเท่าไหร่ตอนนี้คงจะเจ่มแจงแล้ว <laughs> มันจะได้อาไปปฏิบัติต่อนะ สมคนคือเวลาและกลารเปร่าพร้อมกัน